อตอนนี้ไปเพิ่งพากันตั้งใจใจนี่แหละสำคัญมากอย่าไปนึกว่าสิ่งอื่นจะสำคัญยิ่งไปกวาจิตใจนี้คนพู้ที่ลงสำคัญว่าสิ่งอื่นทีกวาจิตใจนั่นแหละมันถึงได้หลงไหลไป ทำชั่วมีแสดงก็หลงไหลไปยึดไปถือไว้ด้วด้วยความพออกพอใจถ้าผู้ใดเห็นว่าจิตนี้สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องสำรวมจิตตรงนี้ให้มากกว่าไปผูกพัน กับเรื่องอื่นเพราะว่าการปล่อยจิตให้คล่องอยู่ในโลกอันนี้มันเป็นทุกข์ดังที่เราประสบกันมาอยู่ในปัจจุบันนี้แหละใครๆก็ยอมรู้ได้ว่าดวงจิตนี่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันแสนยากแสนลำบากจริงๆ ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนนี่เองต้องได้หาเลี้ยงมันต้องได้ประคบประ ง, งมอยู่ตลอดเวลามันก็จึงพอประทังอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะควรหรือที่จะมายินดีชื่นชม อยู่กับรูปกับกายอันนี้หรือว่ารูปอื่นกายอื่นก็เหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันเลยผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะละเลยถ้าไปละเลยการพิจารณาจิตพิจารณาร่างกายนี่แล้วมันก็ ไม่ถูกทางแหละพูงง่ายๆก็ไม่ไม่สำมรวมจิตนีนแล้วจะอะไรมาเป็นการปฏิบัติธรรมจะเอาใครพกให้พ้นจากทุกไปวนี้ผู้ใดจะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ปปกกขั้นเมื่อเป็นผู้สำมรวมจิตเข้ามาภายใน เมาเพ่งพียารณาดูแล้วก็ย่อมรู้ได้ว่าผู้จะพ้นทุกข์ก็คือจิตตรงนี้เองไม่ใช่ใครเอืมนไม่มีกวดดูให้ดีในร่างกายทุกส่วนนี่แหละแล้วเมื่อเรากวดดูให้ดีแล้วมันก็จะรวมลงไป หาความรู้อันนั้นเนี่ยก็รวมลงเหลือแต่ความรู้นี่แหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ความรู้อันเดียวเท่านี้รับรู้หมดเลยแล้วสิ่งอื่นมันไม่มีอะไรรับรู้อะไรร่างกายทุกส่วนมันก็ไม่รับรู้อะไร ถ้าก็จิตตรงนี้ไม่มีแล้วกายนี่ก็เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินเมื่แต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองลองคิดตรงพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะดิ้นลนไปเอาอะไรในโลกนี้ตั้งแต่ร่างกายนี่มันก็ยัง อาศัยอยู่ได้ด้วยความยากลำบากแล้วเราจะไปแสวงหาสิ่งใดอันเป็นที่พึ่งภา ย, ภายนอกนี่นะจะให้ได้รับความอุ่นใจดีใจจะมีที่ไหนเนยนั่นแหละโหปฏิบัติธรรมมันก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตนี่ได้ ถ้าเป็นพุมมันเพ่งเข้ามาภายในแล้วมันก็จะสํารวมความคิดความเห็นต่างๆเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าการฝึกจิตนี้แหละให้สงบภัยรังงับภห้ตั้งมัน่นต่อกุศลคุณงามความดีต่างๆนั้นเป็นสิ่งสงควรแท้ พอทํำไ้เช่นนั้นแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีเลยลก็อย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่าถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มก็พ้นทุกข์ไม่ได้อืมพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดนะไม่ได้แต่ผู้สั่งสมบุญเมื่อเวลายังไม่เต็มมันก็พ้นทุกข์ไปได้ชั่วระยะหนึ่ง ไปก่อนถ่าบุญมากบาปน้อยเช่นนี้นะมันก็พ้นทุกไปได้นานสมควรอันนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาละบาปเสียแล้วมีแต่บุญกุศลล้วนๆอยู่ในใจเช่นนี้ ก็ใกล้ต่อพระนิพพานเท่านั้นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอันที่มันไม่ถึงพระนิพพานไม่ใกล้พระนิพพานไปนี่ก็เนื่องมาแต่มันมีอกุศลแทรกแทงอยู่ในดวงขีดนี้อคุศลส่วนละเอียดมันมีส่วนกลางก็มีส่วนหยาบก็มีอย่างนี้นะ อันเมื่อละส่วนหยาบได้มันก็มาสร้างอากุศนส่วนกลางหรือส่วนละเอียดให้เกิดขึ้นในจิตนี้เช่นอย่างว่าผู้ภาวนาปฏิบัติทางจิตใจเข้าไปอย่างนี้กิเลสชั้นกลางนี่มันก็ให้เกิดความง่วงเง า, านอน หรือไม่จะนั่นมันก็บันดานให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาเวลาไม่ได้ภาวนามันก็ยังไม่เกิดมันพอน้อมใจจะเข้าถึงความสงบมันก็สร้างความรักขึ้นมาปิดกันไว้สร้างความชังความเกลียดขึ้นมานี่จิตใจก็เลยสงบลงไม่ได้ เพราะว่ามันยึดเอาความรักความชังนี่เองเนี่ยจิตจึงได้ฟุ้งไปพุป่งไปแต่งไปไม่หยุดจังถ้ามันรักความรักความชังอันนี้ไปเสียแล้วจิตมันก็ไม่ฟุง้งนะมันก็สงบอยู่ภายในเนี่ม ตที่มันพุ่งไปนั่นก็เพราะมันอยากได้ท่านเองถ้ามันหยุดอยากเสียอย่างนี้มันก็สงบจูดจิตนี่นะกร ต, ตัวเองนั่นสงบตัวเองตัวเองนั่นไม่อยากได้อะไรมันก็จึงสงบลงได้ถ้าดวงจิตนี่ยังอยากได้อะไรอยู่มันก็สงบลงไม่ได้ให้สังเกตดูให้ดี สังเกตดูจิตใจของใครของเรานี่แหละย่อมรู้ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อจิตมันนิ่งอยู่มันก็ไม่อยากได้อะไรไม่ใช่หรอือถ้าจิตมันคิดต้นคิดนี่ไปเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อันนั้นมาเมื่อได้อันนั้นมาแล้วจะมีความสุข ทน่เมื่อมันอยากแล้วมันลามพามไปทั่วอะไรบ้านี้นะเมื่อคิดแล้วมันไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์แล้วบ้านี้นะเดือดร้อนแล้วเพราะส่วนมากคนเราคิดอะไรร้อยแปดพันอย่างแกมันได้สมหวังทั้งหมดไม่มีทางที่ได้สมหวังมีน้อยอถ้ามันได้สมหวังทั้งทั้งหมดตามความคิดแล้วไม่มีที่ไว้โลกอันนี้นะ สมบัติในโลกอันนี้ไม่มีที่ไว้เลยดังนั้นประชงพากันพิจารณานดูให้ดีเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันมันก็หยุดอยากหยุดคิดในเรื่องความอยากต่างๆลงได้เพราคิดมากก็เป็นทุกข์มากนี่คิดน้อยก็เป็นทุกข์น้อยไม่คิดแล้วก็ไม่มีทุกข์ พูดสั้นๆกันลงมามันเป็นอย่างนี้แหละผู้ใดต้องการจะหยุดความคิดก็ต้องเพ่ง พ, พิจารณาลมหายใจเข้าออกได้ให้มากให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไปเช่นนี้แล้วจิตนั่นมันจะพุ่งส่านลำคาญไม่ได้เลยถ้าสติ มาเพ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันไปอย่างนี้จิตนั้นไม่มีช่องว่างที่จะคิดผูกแต่งไปอะไรกับ อ, อะไรนี่แหละให้พากันทําลองดูแต่ต้องพยายามให้ต่อเนื่องกันนะเพ่งลมหายใจเข้าออกนี้ให้ไปต่อเนื่องกันไป อย่างนี้เราเท่ากับว่าไปปิดช่องแห่งความคิดไว้ในระยะแรกนี่นะเน่ยพึงพากันกระทําในใจอย่างดังที่แนะนำมานี่แล้วจะได้ความสงบใจความเย็นใจได้จริงจริงเพราะจิตนี่เมื่อละอารมณ์ต่างๆออกไปหมดแล้วนะมัน ก็เป็นจิตเดิมใจเดิมจิตเดิมใจเดิมไม่ไม่มีอะไรพระท่านกล่าวไว้ในธรรานั้นมีแต่ประพัดสอนคือเรื่มมีเรื่มใสพองใสจิตเดิมใจเดิมแท้ๆนะอันที่มันเศ้าหมองขุ่นมัวก็เพราะมาสร้างกิเลสหุ้มห่อตัวเอง โดยความรู้เท่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่รู้ว่าความคิดอันนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันบอกเป็นบอกเกิดแห่งทุกข์มันไม่รู้มันไม่ทวนกระแสะจิตเลยเพอความอยากมันกดดันเข้าไปมันก็คิดไปคิดไปเท่าไดยิ่งอร่อยความคิด ถ้าไปคิดไปในทางที่ตนชอบ อ, อกชอบใจเช่นนี้ก็รู้สึกออกรสออกชาติอร่อยอยากคิดอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งคิดถึงเรื่องความสัมผัส ต, ต่างๆนี่แหละถ้าพูดรวมๆลงแล้วนะมันทำให้คนเราติดใจกับกับสัมผัสนั้น นันแหะสัมผัสอะไรสัมผัสในกามเลยมั น, นรูปต่อรูปได้สัมผัสกันเข้าจิตนี่มีความรู้สึ ก, กว่าเป็นสุขดีสบายดีนี่นะไอ้ข้อนี้นะสำคัญนะผู้ภาวนาต้องพิจารณาให้มันด้เอียดถี่ถ่วนลงไปอย่าไปส่งเสริม ว่าสัมผัสนั้นมันจะให้เกิดความสุขความสบายมากมันไม่มีหรอกมีแต่เป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์สุขกัสุขชั่วสร้างภาพหูงูแรบลิ้นเท่านั้นเองแล้วความทุกข์นั้นมีอยู่มากมายดันั้นต้องเอาเทียบกันดูความสุขสัมผัสทั้งหลาย เป็นไปชั่วขณะหนึง่งแล้วความทุกข์นั้นมีมากมายกายกองก็มีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเท่าไรการแสวงหาโพคะสมบัติมาเลี้ยงกันมันก็มากขึ้นเท่านั้นเลยมันก็หนกักอกหนักใจอันนี้แหะเป็นเหตุให้คนทำบาปกับพอตันหานี่เอง มสวงหาเงินทองเข้าของไม่ได้โดยทางสุจริตไม่ทันอกไม่ทันใจไม่ทันไม่ทันกับความใช้ความใจต้องก็ต้องไปคิดสแสวงหาในทางสุจริตบางคนก็ถือปินก็ไปกี้เอาเงินธนาคารนั่น แลวบางคนก็รอดมือตำรวจไปไม่ได้เขาตามจับเอาได้แตปพ้ปนไปเจี้เงินธนาคารในเป็นโทษหนักเลเขาตัดสินติดคุกแบบงาเหล่าี่สิบปีนุ่นถ้าไปทำ้ายเจ้าหน้าที่ให้ถึงเจ็บถึงตายก็ถูกประหารชีวิตไปเลยนี่น่ะโทษของตันหา เขาพิจารณาดูให้มันเห็นบุคคลใดไม่ยับยั้งความอยากควมปรารถนาในหัวใจลงแล้วย่อมได้ประสบความทุกข์นานาประการการเป็นนักบวชอยู่ไม่ได้ก็เพราะไม่สามารถระงับปัญหาในหัวใจให้เบาบางออกไปได้นั่นเอง มันจึงประพฤตพรหมจรรย์ไปไม่ตลอดผู้ใดบรรเทาตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิตใจแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่ย่อมเป็นสุขสบายไม่ราธนาจะไปดำลงเพศครืงหัดเลยมันมองเห็นด้วยปัญญาแล้วเพศเครืงหัดนี่มันยุ่งเหยิงเอาจริงๆ เพราะเรื่องเกี่ยวกับการกับงานกับการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองราบยศที่เองเนี่ยไม่แสวงหาก็ไม่ได้ประนี้เคยเป็นผู้ครองเรือนแล้วไม่มีเงินจะใช้ก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละไม่มีเงินจะใช้ใช่อย่างเดียวเราเป็นทุกข์ร้อยแปดพันอย่างเพราะว่าปัจจัยเครื่องอาศัยใด นี่ต้องอาศัยเงินทั้งนั้นเลยจึงได้มาอา้าวลองคิดดูสิทำนาอย่างนี้นะถ้าไม่มีเงินลงทุนล้วก็ทำไปไม่ได้เลยไหนต้องซื้อปุ๋ยอืมต้องซื้อคลาดซื้อไถหรือไม่ใช่ น, น่าก็ต้องจ้างคนเอารถไถไปไถให้เอาไปคลาดไ้คนนี้นะน้ำมีเท้ากับยังจ้างคน ปาดดำเข้าไปอีกถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างคนเก็บเกี่ยวแม้ขนก็มาใส่ยุ่งใส่ฉางก็ต้องจ้างรถเขาทวันนี่นะจ้างรถกระ บ, บะบรรทุกมานู่นนะเนี่ยยักษ์หนุสามิซ้ำลงสีตนก็ไม่มีเอาไปจ้างเขาสีเข้าไปอีกดูสิ ได้เป็นเข้าสารมามแล้จึงมานึ่งมาหุงรับประทานได้นี่นะคิดแต่เรื่องการทำนาเท่านี้นะมันก็เป็นทุกข์อาการอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินแล้วนะเป็นอย่างนั้นต้องคิดดูคนเราอันรจะว่านันเนี่ยก็ยัง มันเทาทุกข์ได้แต่ความเป็นนักบวดนี่แหละเพราะชีวิตมันเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วผู้ใดผู้ที่จะเป็นนักบวดได้มันก็ต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสั ง, งัดชอบทําความเพียรเพื่อกําจัดกิเลสออกจากกิตใจเพื่อละทันหาให้เบาบางออกจากกิตใจ เขาเป็นนักบวชนี่มันมีโอกาสทําความเพียรได้เต็มที่เลยเขาไม่มีการมีงานจะต้องหาเงินหาทองอย่างเครือหัดไม่มีเด็กได้มีโอกาสทําความเพียรทํารวมจิตฝึ ก, กจิตเห็ละตัณหาความอยากอันนี้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เนี่ยชีวิตของนักบวชถ้าผู้บวชโดย ไม่เกียดข้านตั้งปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาจริงๆแล้วแสนที่จะมีความสุขผู้อยู่ในโลกนี้คนอยู่ในโลกนี้คนที่เป็นสุขมากกว่าเพื่อนก็คือนักบวชต้องหมายเอานักบวชที่ปฏิบัติจริงๆฝึกตอนจริงๆนะตั้งคิดไว้ถูกทางจริงๆ ในอย่างนี้เราก็มีความสุขมากกว่าคนประเภทใดๆในโลกนี้เนื่องจากว่าทำตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี้เองแหละสาเหตุที่จะมีความสุขมากนั่นน่ะไม่ใช่อย่างอื่นหรอกพิจรนานรณาดูือผู้ตฏิบัิธรรมย่อมรู้ได้เลย แต่ผู้ไม่ปฏิบัตินี่ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าความถูกอันยิ่งใหญ่มันอยู่ตรงไหนกันแน่อย่างนี้นะผู้ไม่ปฏิบัติทำไม่รู้อ่ะอนี้ผู้ปฏิบัติทำผู้ภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันแล้วอย่างนี้ไม่อยากได้อะไรเลยในปัจจุบันนี่อย่างนี้นะ จิตใจสงบนิ่งเฉยอยู่มันจึงรู้ได้แล้วโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้มันก็รู้ได้แล้วถ้าออกจากนี้ไปแล้วมันหาความสุขไม่ได้เพราะจิตถอนออกจากความสงบแล้วห้าวก็ไม่เจริญปัญญาแล้วตัญหามันกระจุงไปอีกแล้วให้คิดสร้างวิมานบนอากาศพระลพั ก็าลำพังสมาธินี่นะถ้าไม่ควบคุมไม่เจริญปัญญาให้ถูกทางแล้วมันก็ถูกปัญหาไปซักจูงไปในทางที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ท่นเองนะดังนั้นเมื่อจิตถอนจากความสงบออกมาก็ต้องอาศัยสติควบคุมให้มันพิจารณา ในสังขาร น, นามรูปอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจนจังทุกขังอนัตตาไปเลยอย่าให้มันเห็นเป็นตัวเป็นตนไปเช่นนี้แล้วตัณหามันก็จึงจะไม่กำเริบขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นแต่จะให้จิตนี่มันนิ่งอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หรอกไม่ได้ มันก็ไปสงบอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองท่านผู้เท่ไม่สามารถจะเข้าฌานได้ไม่สามารถจะทำฌานให้บังเกิดขึ้นได้นี่จะไปหวังให้ทำใจสงบอยู่นานจึงจะประพฤติปฏิบัติไปได้อย่างนี้นะเข้าใจผิดไปเพราะว่าผู้เท่ไม่ได้บรรลุฌานนี่ จิตมันก็สงบไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็คิดขึ้นมาแต่เมื่อทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วอย่างนี้เวลามันคิดมันก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไปทางบาปอกุศลอย่างง่ายๆหรอกแต่มันคิดไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์คิดไปผูกพันกับ ความได้ความเสียความมีความจนอะไรต่างๆนานาหมดนล้วนะไอ้ผู้ที่ยากจนคนแค้นก็วิตกไปว่าเรานั่นเป็นคนยากจนเงินทองเข้าของอะไรก็ไม่ค่อยสมบูรณอ์อยู่ด้วยความทุกข์ยากลาบากาผู้เป็นคนรวยมีเงินทองมากๆ ม, มันก็คิดวิตกวิจารณ กลัวเงินทองเหล่านั้นจะสูญจะหายไปกลัวจะมันไม่รักษาความร่ำรวยอันนั้นไว้ไม่ได้เดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะติชินอินทาจนุ่ตกวิจาร์ไปทั่วเลยเห็นเคยมีบริษัทบริวารมามากเมื่อเงินทองล่อยหลอลงไปแล้วบริษัทบริวารก็หายหน้าไป เมื่อมีเงินมีทองมากเข้าไปบริษัทบริวารก็มากขึ้นตามกันไอ้ผู้ที่ร่ำรวยมั่งมีมันก็วิตกวิจารไปดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นลองคิดดูให้ดีอันจิตที่ไม่ควบคุมนะมันย่อมถูกตันหาจูงไปตาม วิถีทางแห่งชีวิตของตนผู้ใดเป็นคนจนก็วิตกไปถึงทุกข์ร้อนด้วยความยากจนของตนผู้ใดเป็นคนรวยก็วิตกไปถึงเรื่องความร่ำรวยซึ่งเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะจนลงเมื่อใดก็ได้นี่แหละเมื่อเวลาจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว ก็ต้องพิจารณาแม้เป็นคนจนไปวิตกตเรื่องความจนอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องธรรมะเข้ามาระงับอา้าวเราจนน่ะพอเหตุแต่ก่อนเรามาไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากทำบุญแต่เล็กๆ็ ก, กน้อยน้อยเอตุนั้นน่ะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอันรรทำสะสมไปแต่น้อย มันก็มาอำนวยผลให้แต่น้อยอย่างนี้แหละแล้วเราจะไปโทษใครเราจะไปมัววิตกวิจารเสียอกเสียใจอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขมาแต่ไหนเนี่ก็เมื่อรู้ว่าตนยากจนขนแค่นแล้วแต่ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ยนี่นะมรดกของมารดาบิดาที่แบ่งสรรพั น, น, นร่วนให้มายังสมบูรณ์อยู่ จะไปน้อยเนื้อตามใจทำไมอ่ะปัญญาไม่ใช่ว่ามีไว้สําหรับต้มแกงกินนะปัญญามีไว้สําหรับคิดหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตนี้ให้เป็นถูกอยู่ได้ในโลกนี้ไม่ให้เป็นทุกข์รอายอมเมื่อเป็นผู้เตือนตนได้อย่างนี้แล้ว มันก็ตั้งหน้าทําการงานเนี่ยทาอย่างไรจะได้เงินได้ทองมามันก็ทํำไปได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งแบ่งทานบ้างแบ่งกินนั้นเนี่ย ว, ว่าเพื่อประโยชน์รักษาชีวิตในปัจจุบันนี้ให้คงอยู่แบ่งทานนั้นคือเพื่อประโยชน์ในโลกหน้า เมื่อตนละโลกนี่ไปแล้วไปสู่โลกหน้าบุญกุศลที่ตนทำเนี่ยก็จะนำตนไปเกิดที่สุขสบายบุญกุศลจะนิรมิตอะไรท่าไรให้ตามประสงค์ถัททนมีบุญมากนะนั่นแหละใ้ชีวิตของคนเรานี่มันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละบางทีก็เป็นคนจนอนาถา เมื่อไปรู้สึกตัวได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปชีวิตต่อไปกอบจเจริญรุ่งเรืองด้วยราบยศสรรเสรินในความสุขกายสบายใจมากนี่เป็นอันว่าคนเราจะมีความสุขได้เพราะอาศัยการทำความดีให้มากเท่านั้นแหละบคุคคลจะทัามีความสุขได้โดยวิธียางอ่นไม่มีหรอกไม่มี แต่ว่าการทำกุศลความดีในชาติก่อนบุญกุศลมันถ่ายทอดชีวิตให้มีความสุขเป็นทอดทอดไปอย่างนี้น ะ, ะถ้าบุคคลที่ไม่ได้ไม่ได้ทาบุญมากทำบุญน้อยมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้แล้วก็มีความสุขแต่น้อยแล้วเมื่อบุคคลมาทำบุญกุศลความดีเข้าไปในชาตินี้ อธิษฐานขอให้บุญอันนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยลาบยศสนเสริในความสุขในปัจจุบันนี้แหละอย่างนี้มันบุญกุศลที่ทําในปัจจุบันนี้มันอํานวยให้ไม่ได้ขอให้เข้าใจถ้าบุญกุศลในปัจจุบันนี้อํานวยให้ได้บรรดาคนจนทั้งหลายทําบุญอยู่ในโลกนี่มันก็รวยกันหมดสิ คิดดูให้ดีไม่เห็นไม่เห็นใครรวยนีย่แต่อาจจะมีบางรายอันนั้นเรียกว่าอาศัยบุญกุศลคนหลังมาสนับสนุนด้วยเรื่องมันนะถ้าลำพังอาศัยแต่ลำแข้งตัวเองในปัจจุบันนี้ไม่ได้อาศัยบุญกุศลคนหลังมาหนุนส่งแล้วมันไม่ได้นะอืม มันจะทำบุญได้ทานไปอย่างไรมันก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเนื่องจากว่าตอนมีบุญน้อยนี้อันบุญในปัจจุบันที่ทำเนี่ยมันอำนวยผลให้เป็นรูปธรรมแต่ชตัดหน้านุ่งเช่นมันแต่งรูปร่างกายให้สวยให้งามแต่งร่างกายให้มีกำลังวางชาดีปัดเสจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะ นอกจากแต่งร่างกายให้สมบูรณ์แล้วก็ยังบันดาลให้ร่ารวยเงินทองเข้าของมากมายกายกองนี่มันเป็นี่ยอันบุญกุศลที่สั่งสมในชาตินี้นะดังนั้นบุคคลเกิดมาในชาติชาตินี้นะี่อจึงร่ารวยมากมายกายกองอย่างนี้เพราะในชาติก่อนนั้นเข ทุ่มเทการทำบุญทำทานไว้มากเต็มที่อะไรอย่างนี้อผลนั้นมันก็ย่อมอำนวยให้มากดังนั้นไอผ้ผู้ได้มาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วต้องการความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำความดีให้มากเข้าไปสิอันนี้การเป็นนักบวชนี่ยิ่งได้ทำคุณงามความดีได้มาก มีเวลาได้ทำมากอ้าวไม่มีเงินไม่มีทองอะไรอ่ะจะไปสั่งสมสมบุญให้มากได้ยังไงบางคนก็จะคิดอย่างนี้แหละก็ไม่ได้หมายอย่างนั้นการทำความดีหรือทำบุญไม่ได้หมายเอาแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการที่บุคคลประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจ ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นลนะตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์เช่นไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนไม่สูบบุรี่อย่างนี้นะก็เมื่อบุคคลไม่ประพฤติช่วยอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้แล้ว อันความดีที่บุคคลกระทำนี่นะมันก็ติดสอยห้อยตามผู้นั้นไปเช่นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายอย่างนี้นะเกิดไปชาติหน้าก็มีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขรคภัยก็ไม่ค่อยเบียดเบียนออย่างนี้แหละผู้ ไม่ช่อบไม่โกงไม่รักเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นนี้แล้วทนเกิดไปชาติใดเมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีเงินมีทองเข้าของมากๆก็ไม่มีจนไม่มีขโมยจะมารักมายื้อมาแย่งเอาไปหามาได้เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้น อา้าวคนมีผัวมีเมียมาแต่ชาติก่อนก็ไม่ได้ทําชู้จากเมียจากผัวรักเดียวใจเดียวเขาเกิดมาชาตินี้มีผัวมีเมียมาก็ไม่มีใครมาหลอกมาลุงไม่มีใครมาล่วงประเวณีเหลือเมียก็ไม่คิดนอกใจผัวผัวก็ไม่คิดนอกใจเมียในทางประเวณีโชว์เท้ นี่การอิสง์ที่เว้นจากกาเมสมวิชาชาจานนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นได้ลูกได้เต่ามาลูกก็ฟังถ้อยฟังความลูกก็ไม่เสเพลใครเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไทยเป็นอย่างานี้นิสง์แห่งการรักษาสินข้อที่สาม บุคคลใดรักษาสำรวมวาจาของตในให้ดีไม่กล่าววาจาเท็จพูดแต่คำจริงไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้ใครต่อใครทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันไม่พูดคำหยาบโรนเช่นดาพ่อดาแม่ดาโคดดาวงกันอย่างนี้นะหรือว่า ด่าเปรียบเปยเอาสัตว์ที่ไรฉานมาเปรียบกับคนอะไรโมนี่เรียกว่าเป็นการพูดคำหยาบเป็นโทษอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเล้วไรสํารวมประหยัดวาจาหัวตนไว้ไม่ถึงเวลาพูดไม่พูดพูดในเรื่องไม่เป็นประโยชน์ ไม่ชอบพูดเรื่องใดที่ถึงเวลาที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ชวนรวมก็จึงค่อยพูดไป อ, อย่างนี้แหละแล้วก็อุคคณเป็นคนดีในปัจจุบันนี้มีสติมีปัญญาไม่เป็นใบเป็นบ้า ก็ตั้งแต่ก่อนมาก็เว้นจากการดื่มเหล้าเม้าสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆนี่แม้แต่บุหรี่นี่ก็เว้นเมื่อเว้นของเสพติดเหล่านี้แล้วก็ยังเว้นจากการทำสเส น, น่ห์เล่ห์คนให้คนอื่นหลงไหลไม่มีสติสมรมะเชยะรักษาตัวได้ บางครับขู่เข้นเอาเงินเอาทองกับเขาเมื่อทำเขาให้เสื่อมเสียเสื่อมสติสัมปชัญญะไปแล้วเว้นจากของเศรษิีในโทษต่งตางๆวอนนี้แล้วแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนดีอย่างว่านั่นเนี่ยมีสติมีปัญญารูปร่างก็สวยงาม มีอายุยืนยาวนานมีผัวมีเมีย ม, มาก่อฟองรองสามัคคีกันรักใคร่กันไปจนตลอดวันตายไอคนที่เป็นใบเป็นว่าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาอยู่นั่นนะ่ะมันล้วนตั้งแต่แต่ถ้าก่อนมาชอบของเสพติดใโทษ ด, ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ กรมนั้นแหละมาตามมาตกแต่งให้เป็นใบเป็นบ้าไปเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดานี่นะเพราะฉะนั้นทุกคนได้รู้ให้เข้าใจอย่าว่าการดื่มของมึนเมาเหล่านั้นนะมันจะไม่เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองนะคิดให้ดีพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้ว ก็องค์จึงบัญญัติทารรมไว้เพราะสงสารสัตว์โลกไม่ต้องการให้สัตว์โลกเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายเหตุนั้นจึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่าอันใดที่มันจะนำทุกข์นำโทษมาให้แก่บุคคลผู้กระทาพระองค์เจ้ากรทรงบัญญรรัติท่ามแต่ไม่มีบทลงโทษในปัจจุบัน เหมือนอย่างกฎหมายบ้านเมืองแต่ถ้าดื่มเหล้าเมามากเกินไปแล้วไปทะเลาะวิวากท ก, กันทุบกันตีกันเช่นนี้เจ้ามันผิดกฎหมายนะเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมจับได้มีสิทธ์จับกุมไปได้แต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยลงโทษเท่าไหร่หรอกคนเมา เ้าก็จับไปขังไว้สั่งเม้าแล้วเขาก็ปล่อยสั่งสอนแล้วเขาก็คอยแต่มันก็ไม่เข็ดไม่หลาบหรอกมนุษย์เรานะอแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรคนเราน่ะพยทําชั่วใส่ตัวนะแต่ถ้าไม่ไม่ทําชั่วใส่ตัวเว้นจากความชั่วเหล่านี้แล้วแม้ว่าจะยังเกิดอีกอยู่อย่างนี้ ความเกิดของผู้นั้นก่อนรับว่ามีผลดีมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มีสติมีปัญญามีรูปร่างสวยงามอย่างนี้แหละมีสติมีปัญญาสามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญองอกงามขึ้นในตนได้เต็มที่เลยดังที่เราจะเห็น อาเซียบางคนน่ะเขาเกิดมาแล้วเขาก็มีรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็พร้อมด้วยทับสมบัติยศตักบริวารต่างๆเช่นนี้น่ะเขาก็ยังไม่ลืมตัวยังไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเหล่านี้เขาพิจารณาได้ว่าตายแล้วเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยเมื่อเวลายังอยู่นี่ ถึงว่าเงินทองก็ของบุญจะแต่งให้ร่ํารวยมั่งมีมากก็จริงแต่ก็เป็นทุกข์กับการรักษาเนี่ยพอาะถ้าไม่รักษาแล้วก็จะสูญหายถูกลักถูกขี้ถูกต้นเอาขนีเป็นทุกข์เพราะการรักษาดูแลมันเป็นอย่างนั้นเป็นทุกข์เพราะเมื่อเวลามันสูญหายจากไป เนี่ยการมีทรัพย์สมบัติมากนะไอ้บุคคลไม่รู้เท่าไม่รู้จักใช้ทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ในโลกหน้าแล้วเช่นนี้นะมันย่อมมีแต่ความทุกข์นั่นแหละคนมีเงินมีทองมากเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นสุขเพราะรู้จักแบ่งสรรปันส่วน สละออกไปช่วยเหลื อ, อกิจส่วนรวมนั่นนะเช่นอย่างเสียภาษีอากรให้แก่หลวงไม่ไม่หลีกเลี่ยงในการเสียภาษีแล้วเงินภาษีอันนั้นเหลยมันก็จะถูกแบ่งสรรปันส่วนมาบุรณะบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองเช่น น้ำไม่มีเขาก็เอาเอาตั้งงบประมาณก้อนหนึ่งไปทำเจาะน้ำบาดาลให้เท่าที่ถิ่นฐานที่มันจะทำได้หรือบาง่ีงก็สร้างอ่างเก็บน้ำน้าไว้ในถิ่นที่มันพอเป็นอ่างเก็บน้ำได้ดีใดถ้าผลดีอำนวยมันน้ำในอ่างมันมากมันก็ เขาก็ปล่อยละบายออกมาใส่นาใส่สวนคอนให้ได้ทำนาทาสวนได้เต็มที่นีอย่างนี้นะการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐไม่ควรที่จะเพ่งไปว่าเสียภาษีอากรไปแล้วพวกนักการเมืองผู้มีอำนาจก็เอาไปแบ่งกันนั่นแหละที่จะเอามาช่วยเหลือรัสดอนมีน้อย ไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นถ้าหากว่านักการเมืองนักบริหารเป็นอย่างนั้นเสียส่วนมากอานนี้ประเทศชาติก็คงไม่เจริญมาฝันนี้นะประชาชนก็จะอดอยากยิ่งกว่านี้อันนี้ก็ปรากฏว่าประชาชนก็ยังมีความเจริญไปได้พอสมมาสมควรนะเราแกเห็นได้ทุกวันนี้ การสร้างบ้านแปลงเรือนอะไรต่อนายทั้งในเมืองทั้งบ้านนอกก็แข่งกันไปอยู่นั่นน่ะถ้าไม่มีเงินมีทองแล้วมันจะทำได้ยังไงอ่ะอันแต่ไปอ้างเอาแต่คนจนนั่นมาเป็นเรื่องอต่อว่าผู้บริหารว่าไม่เหลียวแลคนยากคนจนอย่างนี้ อย่างเดียวไม่ได้หรอกมันจะได้ยังไงเพราะเงินภาษีที่เก็บจากคนมีรายได้ไปมันก็มีขอบเกตจำกัดเราจะเอาแบ่งไปช่วยเหลือแจกให้คนจนทั่วประเทศอย่างนี้ที่ไหนแต่มันจะพอแหอะไม่มีทางหรอกก็มีแต่ทางการเขาจัด ทำโครงการระยะยาวช่วยเหลืออย่างที่ว่ามาแล้วยเช่นทำอ่างเก็บน้ำเจาะน้ำบาดาลให้เอาไปสร้างถนนนทางให้คนได้วิ่งรถวิ่งราสะดวกสบายหมู่นี้นะเอาเอาไปจัดต่อสายไฟฟ้าไปให้หมู่บ้านตำบลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ นี่ทางการก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเอ้าถนานทางไม่เพียงพอรถมันติดกันมากแออัด เ, อเขาก็ทำสะพานลอยสทางด่วนข้ามในสิ่งกีดขวางข้างล่างไปปล่อยให้วิ่งเดินบนสะพานนนไปมูนี่ มันก็เงินของภาษีของราษฎรนั่นเองดังนั้นรอนอาษฎรจะไปมัวโทษแต่รัฐบาลผู้บริหารประเทศว่าไม่ดีโดยส่วนเดียวนั้นคงไม่เป็นธรรมอะนเนี้ยอความทุจริตมันก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็คงไม่มากเกินไปจนทำให้ประเทศชาติยากจนล่มจมเพราะการเซงรี่การคอร์รัปชัน อะไรอย่างนี้คงไม่เป็นถึงป่านนั้นถ้ามันสิ่งนี้ขอรับสั่นกันมากจริงๆเนะ่ะประเทศย่อมลมจมย่อมเกิดสึกกลางเมืองขึ้นมาได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นผู้บริหารประเทศนี้่ควรคิดควรพิจารณาให้ดีเพราะว่าผู้บริหารนี่ไอ ความสุขความทุกข์อันใดมันก็อยู่ในกำ ม, มือของผู้บริหารนั่นเลยความสุขความทุกข์ของประชาราษฎรต่างๆนี่นะะผู้บริหารมีสติมีปัญญาดีไม่มากๆเกินประมาณในเรื่องส่วนตัวก็แสวงหาเอาโดยทางสุจริตเหมือนอย่างประชาราษฎรนี่ เช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะมีเงินมีทองมาช่วยเหลือราษฎรคนหมู่มากให้พอมีอยู่มีกินได้ไม่ขาดแคนเกินประมาณอย่างนี้ น, นบว่าประเทศไทยเราก็พอเป็นไปได้ไม่ถึงกับว่า อดตายไหมเขาว่างั้นเนี่ยประเทศอื่นนะบางประเทศนี่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่ไหวเพราะมันมากเกินไปปล่อยให้ประชาชนอดอยากล้มตายไปเรื่อยๆไปก็เลยเลยถือเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างนี้มีอยู่มากอยู่นะแต่เมืองไทยเราไม่ไม่ถึงกับอดตายอย่างนั้น ถ้าสังเกตดูทุกวันนี่นะพวกสื่อสารพวกหนังสือพิมพ์มูเนี่ยเขาเที่ยวไปสำรวจไปเห็นบ้านใดทุกยากลำบากจริงๆอย่างนี้หรือว่าครอบครัวใดไม่มีอันจะกินจริงๆเขาก็เอามาลงหนังสือพิมพ์ให้คนได้อ่านคนผู้มีสตาง พร้อมด้วยใจประกอบไปได้วยเมตตากรุณาเขาก็ติดต่อกับโรงพิมพ์ส่งเงินไปผ่านโรงพิมพ์ให้โรงพิมพ์นําเงินนั้นไปจ่ายให้เขาให้เขาเลี้ยงชีพอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเท่าที่จะช่วยเหลือได้อืมคนเป็นโรคอันร้ายแรงต่างๆอย่างนี้นะ ลงซื้อพิมพ์เข้าไปลงไปผู้มีเงินมีทองมีเมตตาจิตเอาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเสียเงินเสียทองค่ารักสมรักษาให้ม น, นีคนไทยเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมผู้มองเห็นประโยชน์ทนประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กันไปอย่างนี้กระทากันมาเรื่อยๆมาอย่างนี้แหละแต่แล้วจะให้มันทั่วถึงทุกคนไม่ได้หรอก ก็ขอให้รู้กดธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน mm. ก็เมื่อบุคคลทำกรรมชั่วใส่ตัวมาเตก่อนแล้วยางนี้นะกรรมชั่วมันให้ผลนะ่ยกรรมชั่วมันก็โดนบรันรดาลไม่ให้มีคนเอ็นดูกรุณาเลยไม่ให้คนรู้คนเข้าในสนใจที่จะมาช่วยเหลือเกือ้อกนะูลกรรมชั่วนั้มันให้ผลนะ่ะ มันทนประมาณทุกข์อย่งนั้นเนี่ยจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายถ้าเป็นโรคเป็นภัยก็ดีถ้าอดอยากไม่มีเงินทองเข้าของจกบริโภค ก, ก็อดอยากไว้นั่นแต่จะให้มันอดตายอยงจริงก็ไม่ได้มันถองมีช่องทางพอหากินได้อยู่แต่ไม่มีคนจะเอ็นดูกรุณาช่วยเหลือเกือ้อกูลเลยอย่างนี้ก็เพราะคำเวรของผู้นั้นเน ทำมาแต่ก่อนเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนมากมากเกินประมาณเห็นแต่แก่ตัวไม่เดียวแลคนยากคนจนอย่างนี้นะเห็นคนยากคนจนยังดูหมิ่นเย็ดยามไปซ้ำบางคนเป็นอย่างนั้นเมื่อเพนเช่นนี้แล้ว ตนไม่ได้ทํากรรมดีไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อคุณผู้อื่นมาแต่ก่อนให้เกิดมาชาตินี้ตนยากจนคนแค้นลงไปมันก็ไม่มีใครเลยดีว่าช่วยเหลือเพราะว่ากรรมของตัวเองนะ่ะบันดาลให้คนอื่นมองข้ามไปมองไม่เห็นเลยนี่แหละคอยพากันศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลแห่งกรรมที่บุคคลเราก็ทําให้มากๆ แล้วเช่นนี้เราก็จะไม่ได้ไปโทษอฝ่ายบริหารว่าไม่เหลียวเล่คนยากคนจนอย่างนี้จะไม่ยกโทษกันมากเกินไปก็จะมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอูดายทากรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเมื่อกรรมมาในผลแเราใครก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้นะค่าคนใดกรรมเว้ไม่มาก อย่างนี้อ่ยแล้วได้ทำความดีไว้บ้างได้ช่วยเหลือเกื้อคูลผู้อื่นไว้บ้างแต่ก่อนอันนี้เมื่อเกิดมาชาตินี้นะผู้นั้นตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างใดเขานึกถึงบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนอย่างนี้นะบุญนั้นมันก็อาจจะมาช่วยเหลือดลบรันรดาลให้มีคนเอ็นดูสงสารช่วยเหลือได้ ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากลำเคินอันนั้นไปได้ให้อย่างนี้แหละพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมให้เห็นหลายแง่หลายมุมไปอย่างนี้แล้วให้ความอิจฉาลิสยาความดูถูกดูหมิ่นกันก็ไม่ค่อยจะมีไนคนหมู่นั้นคณะนั้น อันนี้แหะก็มีทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามกำลังเท่าที่จะช่วยได้อย่างนี้แหละถ้าจะไปคิดในแง่ว่าอืมตั้งใาชาติก่อนคนเหล่านี้มันประมาทไม่ทำความดีอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่นั่นแหละเป็นการดัดสันดานไปคิดเห็นอย่างนี้แล้ว เมินเฉยไม่ดูแลกันอย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่เป็นธรรมที่พระศาสด า, าทรงสอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันนั่นนะก็เพราะเมตตาคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นเองคนที่ประมาดมาแต่ก่อนนั่นแหละ เ, เมื่อได้รับความอุปการะจากผู้ร่ำรวยไปแล้วอย่างนี้มันก็อาจสำนึกตนได้บางคนนะ รู้ตัวได้อเออเราได้อุปการะได้รับอุปการะจากท่านผู้มีบุญทั้งหลายนี่อย่างนี้เราไม่ควรที่จะประมาทต่อไปเราควรจะทําความดีเข้าไปท่านผู้มีความสุขความเจริญอยู่นั้นเข้าใจว่าชาติก่อนนุ่นเพื่อนละความชั่วทําแต่ความดีให้มากที่สดุด มาในชาตินี้ผนเ่งความดีอ น, นันต์จึงมาอำนวยให้ท่านจึงเจริญด้วยลาภยศสันเสริญความสุขกายสบายใจอย่างนั้นไอเรานี่จะต้องทำความดีถึงเยี่ยยัดจนคนแค่ย่างไงเราก็จะไม่ทำชั่วเราจะหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบจะไม่ไปเป็นโจรขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาทรัพ์สมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพในทางทุจริต อย่างนี้น ะ, ะบางคนทุกคนจนบางคนน่ะมันอาจคิดได้อย่างนี้เราก็ทำความดีไปนี่ก็อาศัยความเมตตากรุณาจากคนร่ำรวยมั่งมีนั่นเองเป็นการจูงคนไม่ดีให้ดีขึ้นหมายราาว่างั้นเนี่ยให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นไปทีละขั้นละขั้นไปอืม เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสภาษิตไว้ว่าเมตตาปัถมพิตาโลกาเมตตาเป็นเครื่องค้้จุนโลกให้เป็นอยู่ไปได้โลกในที่ในพร ะ, พ, ระพุทธภาษิตนี้ท่านหมายเอาคนและสัตว์ทั้งหลายนี่เองแหละคนต่อคนเมตตาซึ่งกันและกัน คนรวยช่วยเหลือคนจนคนจนก็นึกเห็นคุณของคนรวยแล้วก็ช่วยเหลือคนรวยในกิจธุระการงานอนใดที่ควรจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยไปไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเมื่อคนจนยอมเสียสละช่วยเหลือคนร ว, วยไปไม่หวังผลตอบแทนอะไรเช่นนั้นคนรวยก็เห็นใจคนจน กลับมีเมตตาสูงสามารถช่วยคนนั้นให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไปได้ก็มีไม่ใช่ว่าคนจนจะมุ่งหวังจะให้คนรวยช่วยเหลือฝ่ายเดียวแต่คนรวยอคนจนไม่นึกถึงคุณของคนรวยเช่นนี้มันก็ห่างไกลกันไปแล้วมันก็สัมพันธ์กันไม่ได้แบบนั้นน่ะเหตุนั้นต้องรู้ไว้ตัวเป็นคนจนน่ะ จะไปลืมคุณของคนรวยที่เขาอุปการะเกือ้อกูลตอนต้องคิดตอบแทนบุญคุณเขาไม่อย่างไดก็อย่างหนึง่งเขาจะได้เห็นอกเห็นใจตนผู้เป็นคนจนจะช่วยเหลือตนให้ลืมตาอาปากกับเขาได้ต่อไปนี่แหละ